ต่อขอโอกาสขนน้องน้องปรัตนใจรักรกาาับที่รานทเทอา ท, า ท, าทุครูเจริญพรยัิยท์ทุกขันก็นมมั่งฟังคำสบายคุยด้วยสักไวไม่ส5สนาทีสี่ินาทีหรือชั่วโมงหนึ่งวัน ร้อนนะลำบากจริงๆคนอยู่ด้วยกันเยอะๆก็คุยเรื่องลำบากวันนี้เหมือนคุยเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลเพราะว่าต่างคนต่างมาเนี่ยไม่ได้มีความมุ่งหวังว่ามาฟัางธรรมด้วยซ้ำไปตั้งใจมาเอาบุญอเนี่ยแต่บุญในทางพุทธศาสนาเขาจะมีเงื่อนไขแบบนี้แหละ มีฟังที่ฟังธรรมมีรักศีลมีอะไรประมาณแจ่อะไรก็ตาัแล้วพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ให้ธรรมะเป็นฐานโยมนี่มาทำบุญทาฐานมาทาวัตถุฐานแต่พระสงฆ์นี่จะมีหน้าที่ให้คาป ร, ระทานท่ยิงเป็นเรื่องที่โชคดีนะที่โยมมารวมกันเยอะๆในพร ะ, ะได้เผยๆศาสนา แต่เผยแพรพระสัตธรรมคำสอนพูดถึงเรื่องสัธจธรรมาะแต่จรนะิงๆอาตมาก็ไม่ค่อยชอบคนเยอะนะคนเยอะต้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปีนี้ก็ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมทิศงานลอยฟ้าที่ภาลกรนะแต่คนมันเยอะเนะี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเขาบอกเขาไม่ค่อยสู้อนะ่ะเยอะคนเยอะมันพูดยากนะ ดูบาีคนก็ไม่มีพืน้นที่จะฟังไม่ซ้ำไปนะพูดสรุกสนานเรื่อยๆเองจะพอได้อย่าวันนีถ้าเล่าลิทานอะไรให้ฟังเนี่ยพอรู้เรื่องนะจะพูดถึงเรื่องอักธรรมลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะลงบากแต่คําสอนของผู้พูดศาสนาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องเรื่ออริยสัจสี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะเรื่องจิตว่าเรื่องสุนเดตาเรื่องลิทธานพเนี้่ ซึเป็นเรื่องแก่นคำสอนของพระศาสนาจุดอื่นก็พูดคุยทั่วๆไปนะอาตมาเองเคยอยู่ที่เนียบ้านเกิดก็อยู่บ้านโนบ่อเนี่ยวัดนี้แต่ก่อนเหมือนมันกว้างนะาแต่ก่อนเคยปวดเป็นเรนบวดกับเจ้าคุณกับอาจารย์ลองเจ้าคณะหรือพระครูวิชัยธรรมระ มับนบดมากประมาณเขาต้งมาบดปีปีสองสองปีสองสองก็ไาดา้ตรงที่อยู่ในเนี้ยเป็นสระน้ำอะไเนี้ยใส่ร่สาสใสน้ําตัวนี้เขาขุดเอาอิดเอาอีกแล้วมาสร้างโบสถ์ในเนี้ยมันมีโบสถ์หลังหนึ่งอันนี้มันเป็นหลังใหม่แล้วมีต้นตาลอยู่ได้สีต้นในนี้จะมีต้นจอมฉาใหญ่มากหนึ่งสอง มีอยู่สีสต้นกับดินายแล้วก็มีกุฏิเลยเนี่ยหลังใหญ่จะยิงประดิ่คุณหลวพ่อท่านกันหรือหรือเพื่อจะทำใหม่มันตมาการแนะนำบอกท่านไม่จะทำเลยท่านครับอกท่านไม่ทำท า, าก็ไม่ทำทนะตรงนี้แหละไอ้นั้นกันหรือออกแล้วก็ตั้งเมนะแต่ก่อนการปกครองคณะสดเนี่ยเขาจะใช้เป็นกุฏิ หลังเดียวอนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นบางตรงนี้บางเล น, นนะนะเพื่ออะไรพระเจ้าวาตื่นขึ้นมาเพืจะได้ดูแลพระเลนยอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่เป็นหลังเดียเด่ยวๆเลยเนะี่ยเรื่อนี้มันจะปกครองลําบากมันปกครองเหมือนพ่อแม่ปกครองลูกอะไรตรวมานะั่นนี่คือกิจกรรมพระศาสนานะ แล้วทำให้คนจิตสงบง่ายเชื่อฟังง่ายปฏิบัติธรรมก็เข้าใจอะไรได้ง่ายตั้งแต่ไปพม่าเนี่ยก็จะมีกุฏิแบบนี้ยเยอะแบบแบบแบบเนี้ยแบบติเป็นเป็นเรือนใหญ่แล้วเป็นเรือนเล็กอยู่ในติดกันกับเรือนใหญ่ยเยอะแยะเคราะเขายังมีต่อเพีมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่อยู่อย่างนี้ก็ตามนะมันก็พัฒนาไปตาม การตามเวลาเมื่อก่อนยังไม่รู้จะพัดลมด้ยซ้าไปใช้ตะเกียงใช้ไฟฟ้านิดนหน่อยหนึไฟฟ้าก็เข้ามาบ้านเราก็ประมาณปี 2,500-8 แต่ก่อนก็ไม่มียุงนะเดี๋ยวเริ่มยุงเยอะยิ่งคนเยอะปัญหาก็ยิ่งเยอะยิ่งพัฒนามากโลกนี้ก็ยิ่งมีปัญหาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่ายิ่งพัฒนายิ่งดีขึ้นนะเพราะว่าพวกเราทั้งหลายได้พัฒนาชีวิตในโลกด้วยอวิชชา สมัยก่อนหลวงพ่อท่านเป็นพระรุ่ น, ร, นรุ่นหน่อยหลังปี 2017, ปป 2018, สองพันนรอสิบเจ็ดนไปปีสองพันร้อยสามพัน้อเนี่ยท่านก็เคยขึ้นไปอยู่ที่ปูผ็กไปกับพระที่มาจากประเทศอังกฤษอังกฤษมากับอาจารย์ดอกเตอร์มหาสมอะ ขึ้นไปอยู่คนไปภาวนาอยู่โนนที่ปูเพิษนะสมัยโน้นทางขึ้นกลําบ่าก็ตกใจขึ้นไปก็ไม่ภาวนาเฉยๆก็มีการมีการขุดด้วยขุดขนตรงทั้งหน้าน่าเจดีย์อันนี้พูดถึงฉากหนึ่งของชีวิตท่านขุดแล้วพากันงัดหินขึ้นมา มันมีแท่นหินข้างหน้าแล้วคุดลงไปข้างล่างมันจะเป็นสายตรงด้านหน้านะตรที่เขาพระตั้งพระเจ้าห้าพระองค์ที่เขาตัดลงมาอยู่ข้างล่างเ<อ>้าข<อ>ุดไปขุดกลางคืนเพ้าขุดกลางนมันมีมันมีงูหลบยักษ์มามาใหญ่ใหญ่เท่าต้นหมากเลยวนเลือ่อยบานวนเลื่อย ไ, ไปเลืบอยมัอ้อมไปอ้อมมาพระก็เลยหยุดับ ท่านเลยอยู่ก็คุยกันอะไรรันคือไม่ทำต่อ อ, อันนั้นก็ทำให้เกิดความฝังใจท่านว่าที่นวดนมันมีความรู้สึกว่ามันมีเจ้าที่เจ้าทาง ม, มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ปีปีสาปอะไรประมาณนี้นแล้วท่านก็เคยเคยไปอยู่คนเดียวที่นวดนเลยเวลาวันตังพระเนี่ย วันที่เท่ า, หาไหร่จาไม่ได้นะสมัยนู้นอ่ะประมาณปีปีสองสองก็คืนกำลังจะทำบัดรสวดมนก็จะมีมันมีขนมาเยอะเต็ไมไปหมดอนะ่ะขบนนะแต่ไม่รู้เขามาจากไหนหรอแต่ฟังเสียงเขาพูดไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องเสียงเขาที่เขาพูดแต่เขาเดินมาเดินมาเขาก็เดินเข้าไป เขาไปในดีดีก็เหมือนเราเหมือนเขามาเขามาไหว้ทาาหรือมาในพวกเขาอยู่ด้วยกันสองสามองค์กลัวมันไม่ได้ทำกรรมาฐานเยอะกรรมาฐานไม่เข้มแข็งสติน้อยก็จะ ม, มีความกลัวมีปรกฐฐากฏการณ์นั่นปรกากฏการณ์นั่ น, นนะหลากหลายและทำให้คนมีความเชื่อเชื่อเรื่องพกเรื่องชาต เรื่องวิญญาณเลื่องอะไต่อมาเน่ก็ฝังใจบาทีก็กลายเป็นอุบัติเหลวงพ่อพริตคุณหลวงพ่อถ้าจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ลึกๆเท่าที่คุยดูยมีความเชื่อแบบล้นแบบนีนะ้แต่มันก็เคยคุยกับท่านสมัยก่อนไปเรียนหนังสือไปเรียนที่อื่นเรียนปริญญาสามมัเ น, เนเรียนรูนเรี่ยท่านก็ จะตั้งโรงเรียนเลยที่ว่าอยากให้ตมามาช่วยแต่ตมาคือแต่ไหนแต่ไร ต, ไตมาไม่เคยคิดจะมาเป็นครูเรียนอะไรแบบนี้ไม่เคยคิดไม่เคยคิดจะมาทํางานเลที่บ้านเคยสอนหนังสือในวิทยาลัยงสงในอะไรแต่ตมาก็จทําช่วขนาดนะครับไม่อยู่อก็ชีวิตมันไม่ได้คิดแบบนั้นคิดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมันเยอะแล้วคนทํางานแบบเนี้ยอยาก สนใจเรื่องศัสนาพุทธจริงๆนะเรื่องสัจธรรมเรื่องทำไงทีจ่จะพ้นทุกทำํำไงจริงๆเข้าถึงธรรมะเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเลยเขาบรรลุธรรมวันนั้นเกิด ค, คนทุกวันเรียมันประทรับใจมัมีความรู้สึกแบบนั้นนะต้องสาะแสวงหาเรื่องนั้นมากกว่าเรื่อ ง, ยงอย่างอื่นการปฏิบัติธรรมมาหลวงพ่อท่านเคยให้ทุ น, นามาปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียนะ ท่านเคยพูดแต่ตมาอาตอมาไม่มีความคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้คิดว่าอยากไปเรียนต่อโน่นนีน้อยากไปทุดงไปตำดงตำป่าทตำเป็นฝึกจิตอะไรมากกว่าแม้แต่เรียนหนังสือจบมาก็ท่านก็บอกว่าให้มาช่วยงานองานท่านก็เยอะเนอะตัางตำแหน่งก็ใหญ่เรืเรเร่อยๆอาตมาคือว่าอาตมาอยากได้ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้อ่ะ อยากรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แต่แต่มไม่อยากมาชับใช้สังคมโดยทั่วไปแบบเนี้คือมาเป็นพระสังฆาธิการระดับนั้นระดับนี้ทำตําแหน่งนั้นนั้นนี่ไม่ทั้นวัดป่าสมนที่จะอยู่ในฐานะเป็นวัดเถื่อนวัดเถื่อนนีจะไม่สามารถได้เงินเดือนวัดเถื่อนนจะไม่สามารถที่จะขอตำแหน่งพระสังฆาธิการอะไรอะไรคืออยู่แบบง่ายๆอยู่ไปวันๆเนี่ย เขาอยู่รอตายง่ายๆรักษาวด้เราคือมันไม่มีความหวังแต่คาว่ารอตายก็วา่ตาตมานี้หมายว่าเราจะต้องเตรียมตัวตายแบบที่ไม่กลัวความตายเดินเข้าไปสู่ความตายแบบสบายใจดูตัวเองตายเหมือนดูคนอื่นตายได้เราดูเราแต่ละวันดิเหมือนเราไปเยี่ยมคนป่วยเราให้มันหวั่นไหวเ ไม่เหมือนว่านั่งรอตายเหมือนแบบรวงรอตายนะไม่ใช่นะคาว่ารอตายนี่หมายว่าถ้าไม่จริงจะสามารถเดินเข้าไปสู่ในดินแดนของมรณะภายแบบสงาา่าผ่าเผยได้แบบไม่ทุกข์นะอาตมาก็เคยชวนหลวงพอ่ออือยากให้ท่านฝึกสติปฐานนะบอกท่านคือหลวงพ่อเวลาอาตมาพูดท่านก็จะมีความเชื่อพระเขาจะรู้นะเวลาอาตมาพูดท่านจะลิ่งท่านจะฟัง แต่เพาท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนตัวนั้นตัวนี้ก่อนเลไยู่รู้ตาว่าเมื่อหลวงพ่อตายก่อนนะมัว น, นั้น น, นี่นี่อยู่ตายก่อนเนะ๊ะไม่ได้ไม่ได้ฝึกได้พูดตามภาษาคุนห่วงใยเนาะชีวิตท่านท่านที่อยู่ที่นี่มานานก็ไม่ได้ไปโนดไปนี่นะนท่านก็อยู่แบบเนี้ยก็ตั้งใจว่า อาตมาเดี๋ยวนี้ก็มีสร้างสำนักปฏิบัติธรร ม, มแล้วก็มีสาขาในประเทศไท ย, ยอยู่ภาคนั้นภาคนี้อยู่บ้างก็ว่าจะนิมนต์ท่านไปดูบ้างอะไรบ้างอยู่เชียงใหม่อยู่ก็เลยอยู่หลายที่อนะทีนี้ชีวิตพุทธศาสนาเนี่ยสอนไม่ใช่สอนแต่พระ แต่สอนโยมด้วยสอนคนคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราจะมีทุกข์โหตินาทุกข์ขาเปรตามีความทุกข์อย่างเราแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเกิดเพราะแกะ่เพราะเจ็บเพราะตายชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่อเจอปัญหายัางนั่งอยู่นี่ก็ทุกข์นะถ้าไม่ลุกเนี่ยมทุกข์ ต้องลุกต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตจำบันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรานะแต่เพาเป็นทุกข์บังคับทุกข์บังคับไม่ต้องหลับต้องตื่นต้องกินต้องถ่ายต้องอะไรประมาณเนี่ยคือมันเป็นธรรชาติมันแบบนั้นเนี่ยแต่เราไม่รู้บางทีเราก็คิดว่าเป็นเรื่องอย่างอื่นจ้าปัญหาเลยเราไม่เข้าใจชีวิตจริงแล้วก็มองว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคือเราคือยากจนเหนื่อย ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวของไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆซึ่มันไม่ใช่อัตมานีเข้าใจอย่างนี้ทั้งแต่ไหนแต่ไร น, นะว่ามันไม่ใช่แล้วอัตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะสวงหาราบยบศแสนสินมหาวิรยิยราชภัตรีเขามาขอดุษฎียบันติกยติมรศักดิ์ให้เนี้ยศาสตร์สี่ปีแล้ว มาทุกปีมาออมาทำต่อไปถ้ามว่าเวทธารมไม่พร้อมอย่างเลยอย่าทาเลยก็สู้ไม่ได้อยากได้จะเคย อ, อยู่แบบง่ายๆแบบสบายๆแต่สังคมของ็เป็นธรรมดานะเขาก็อยากเห็นคนไหนที่ทําคุณาความดีเขาอยากช่วยเหลืออย่างที่บอกนะชีวิตจี๋ชีวิตเราไม่เหมือนกันนะไม่ว่าหลวงพ่อ ก็ตามพวกเราเราก็ตามมันดีหน่อยว่าหลวงพ่อเนี่ย อ, อถ้าเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่เวลาท่านเสียชีวิตมรณภาพไปจริงๆถ้าไม่มีตัวตนนะักเขาว่ามรณภาพคือเป็นแค่ภาพนะเนี่ยเดียแล้วมันมรณะภาพมันวรณะนะท่าโยมเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าภาพาพระเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปมันเป็นรูปเฉยๆเนี้ยไม่มีความจริงเวลาคนตายจริงๆเนี่ยเวลาเราเข้าถึงสัจจสภาวะจริงๆ ม, มันไม่มีการตายอ่มันเป็นการเปลี่ยนรูปเฉย คือทํายังไงเราจริงๆเห็นว่านี่คือการเปลี่ยนรูปรูปมันเปลี่ยนมันไม่มีการตายเหนไหแต่คนส่วนมากมันก ล, กลัวตายกลัวการเปลี่ยนรูปมันเหมือนการผ่าตัดขาเนี่ยผ่าตัดแขนได้เลยมันจะเปลี่ยนสภาวะที่จเจอั้นเวลาตายก็เปลี่ยนสภาวะนิดเดียวเองแต่โยมทําไม่เปลี่ยนโยมไม่รู้เรื่องเพราะโยมไม่เคยฝึกมาเพราะไม่ฝึกมายอมจะกลัวตายคิดว่าตายเนี่ยมันมีจริงๆนห็นะห จริงมันไม่ได้ตายจริงความจริงคือมันไม่ได้ตายทีนี้ทําไมเราจะจะเข้าใจสภาวะอันเนี้ยอย่างพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเรียนรู้กากรเกิดการตายแบบนี้ถ้ากเกิดเกิดการตายแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาคนไม่รู้เรื่องเพราะพุทธศาสนานี่มันจะมีจิตเจตสิกมีรูปมีนิพพานมีจิตเจตสิกมีรูปมีนิพพานเนี่ยพระท่านนั่งอยู่ในสี่ไฟ ที่เล่นมือถืออยู่นะี่ยถามากจะนน้นว่าอันนี้มันเหมือนส่วดหน้าไปนะมันมีอะไรเนี่ยคืนจิตเจตสิกมีรูปมีลิพานเป็นสภาวะสี่อย่างเขาจะมีสี่รูปขึ้นสวด เ, เป็นสภาวะประมาภิ์เขาศึกษาเมื่อเดเล่นสวดนะพิธามแต่ละคืนแต่ประเทศที่ยี่สองคืนแล้วนะสองคืนแล้วก็พุกชาวบ้านทั่วๆไปวันนี้พุกใครอ่ะม็นหลายคนนะ นะทำเหมือนฝนตกเลยไม่รู้จะถูกใครบ้างนะใครไหยกะลาก็มีน้ำใครคว่ำกะลาก็น้ำไม่เข้านะคือจิตจริงมีสภาวะแค่มีจิตมนุษย์เราเนี่ ย, ยเย็นจะสิ่ก็เป็นอารมณ์ที่เกิดแล้วก็ดับไปมีรูปมีรูปสภาวะรูปรูปที่เป็นปรมัตนะหนึ่งยากหน่อยนะกับรูปที่เป็นสมมุติมีเท่างร สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่นี่มันไม่ดับโดยถาวรถ้ามันดับโดยถาวรเมื่อไหร่เป็นนิพพานแต่ถ้ามัาเกิดกบบดับเนี่มันเป็นอย่างไงเดี๋ยวพระท่านจะสวดให้ฟังเนี่ยสวดอริธรรมอริธรรมถ้าสวดมรดิกาก็คือสวดหอ่อข้อห่อสัจธรรมนะกุศลธรรมากุศลธรรมาปยัตฆ์ธรรมะพอเรามีความคิดดีเราคิดไม่ดีกับคิดกลางๆลางจิตนี่มันมีสามสภาวะแต่เราไม่สามารถที่จะปรองสภาวะจิตที่มันเป็นกลางกลางนีได้ ส่มาวันเราคิดไปดีบ้างชั่วบ้างออุศลาน่ะที่เราได้ยินในกุศลธรรมกุศลาที่จริงจะสอนโยมนะแต่เขาไม่ได้สอนภาษาไทยไงเขาสอนเป็นภาษาอินเดียถ้าคนอินเดียฟังจะรู้เรื่องแต่ความภาษาไทยมัเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเราเหมือนได้บนนุญเน่ยหลงบอกว่าได้บุญบุญของโยมพุทธิจิตสงบชั่วขนาดแต่โยมไม่เกิดปัญญา พุทธศาสนเาเนี่ยเขาเี้นเรื่องวิมุตตการหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากความรู้สึกความยึดมั่นถึงมั่นภาวะอันนั้นที่จิตมันจิตเนี่ยนั้นมันมีจิตเราก็มาเรียนรู้เรื่องจิตเจตสิกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีรูปมีนิพพานป้าหมายพุศิสนานีสีม่มุมมองเนี่ยมีสี่มุมองแล้วเขาเข้าดู อสุภะที่อยู่ในนั้นหลวมพ่อท่านตายไปเขาเรียกว่าอสุภะอสุภะคือภาพที่มันไม่งามมันเริ่มเปืยเริ่มเน่าแต่นี่คือพระโยคาประจรสี่ลูปที่เป็นคนดูแล้วทากผูดถึงเรื่องจิตจิตนั่ออภิธรรมอภิธรรมคือหมายถึงธรรมที่มันลึกซึง้งมันลึกซึ้งมากธรรมะอันเนี้ยเขาไม่เทศให้คนทั่วๆไปฟังอย่างส่วนอภิธรรมได้ยินพระท่านพูดที่บ้านโลดเหลือนะที่สวดงานสวดเยาวพุทโธว่า สวดอภธิธรรมเนี่ยที่ประเทศมเขมรเนี่ยเขาใช้สวดงานแต่งงาน่ะอุศลาเนี่ยบ้านเราเนสวดงานศพใช่ไหมแต่เขาเขาเนี่ยแต่งงานอุศลาธรรมะอกุศราธรรมะนะไม่เหมือนว่านเราคือพูดถึงเรื่องสัจนาทาให้คนเข้าใจเลยเ อพยากตาธรรมากตาเมธรรมาช่วงไหนที่เวลากระทบผัดศักุสลายยศมิงสมเยกามกาวัจเรังกุสลจิตตั้งปนงงนานปปานังพุทิส้มนัสสัตตันยานสัมปยุทถ้ามีอย่างกู้ถุกสติรู้เท่าทันพอกระทบปุ๊บแล้วมันสปาร์คสว่างกลายเป็นอย่างระคัธน ะ, ะนะมันจะเป็นกุศลอีเมธรรมากุศลาจิตที่จะไม่เป็นทุกข์เลยอายตะผสสะัตาหูจหมู่ลิ้นกายใจเวลากระทบผัดศักด์ไม่ไทุกข์ หรือเขามาพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบรรลุธรรมอย่างอภิธรรมมัฏฐสังฆะอริธรรมมัฏฐชวนิกะที่ท่านแต่งขึ้นมาพูดถึงเรื่องจิตจิตมันเป็นยังไงจิตมันวางพวกข์มันวางยังไงพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่เกิดมาแล้วสามารถแก้ทุกข์ได้ คนบอกว่ามีประโยชน์เื่องโลกะเชตทัศน์คือพระเจ้าเป็นพี่ชายของคนทั้งหลายในโลกนี้คือเจ้าเหมือนไก่ตัวหนึ่งที่มันเกิดมาแล้วมันฟักออกมาเป็นตัวคือออกจากความคิดได้ออกจากความยึดมั่นถึงมั่นได้ออกจากกินเลสต่างได้จิตมันตื่นนะมันตื่นมันสว่างขึ้นมาแล้วมันกลับเกาไม่เข้าไปเป็นอีกเหมือนนิทานเรื่องหอยสังทุกหอยแตกแล้วเนี่ยหอย ตัวมันก็ไม่เข้าไปอยู่พระสังเข้าไปอยู่ในหอยไม่ได้เขาทุกหอยแตกแล้วอันจิตของเราตัวมามันติดสมมุติเพราะมันติตสมมุติแล้วเราไม่เกิดญาณทัศนะไม่เกิดการเห็นแจ้งวิปัสนาปัญญาเนี่มันไม่เกิดแต่เราเกิดแต่ความคิดความคิดเรื่องประมาหากินแต่เราไม่เคยเห็นความคิดเกิดดับไม่เคยเห็นเจตสิกมันเกิดมันดับเนี่ยเราไม่รู้จักไม่รู้เท่าไหรเลยมันเกิดยังไงมันดับไงเราไม่รู้เท่าไัน ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นกับจิตเราแล้วเราก็อยู่กับความเชื่อแบบเดิมๆใช่ทีนี้อย่างที่เราเนี่ยคนเราเริ่ม ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเริ่มศึกษาชีวิตตัวเองนี่แหละเอาเราเกิดมามีรูปกายนี้กินข้าวดื่มน้ําก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วมันก็เริ่มมีความคิดความคิดมันก็เริ่มยึดติดความคิดไม่ได้มาจากไหนมาจากสัญญาเวทนาอารมณ์สัญญาคือคือความจําเวทนาคือความพอใจไม่พอใจอารมณ์คืออารมณ์ที่มันเกิดดับแต่ละวันเนี่ย มันปุงแต่งทุกวันมันจะเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับแต่เราไม่เคยเห็นว่ามันเกิดมันดับเวลาเราคิดอะไรมันยาวนั่นคนผูกวัวตายขาดตัวตายคนเกลียดคนชังกันกเพราะอารมณ์คนเนี้ยคนโลภปวดหลงก็เกิดเพราะมันไม่รู้เท่าทันเศรษฐธรรมที่นี่ศาสนาพุทธบอกว่ารู้ศาสนาพุทธโธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานศาสนาพุทธเนี่ยจะถามว่า เราตั้งถึงศาสนาพุทธจิตเราเกิดการตื่นหรือมาไหมมันรู้แจ้งหรือมาไหมมันตื่นมันเบิกบานหมมันเกิดยานสามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไหมเกิดยานทำลายกิเลสในสิ่งที่มันความจำในอดีตที่มันสะสมมันมันเป็นตัวตนพอเราปฏิบัติเนี่ยมันลบทิ้งได้ไหมปัญญาที่เกิดขึ้นปัจจุบันเห็น การเกิดขึ้นรับไปผ่านไปผ่านมาแล้วเกิดเดาะอุปท า, านไข่นเนี่ยทําเป็นไหมความเจ็บมันถึงมาในตัวตนเวลาเขาบอกว่าเราดูด่าเราทําไม่แล้วเจ็บปวดจังน่นะตอนที่เราก็เกิดจากก้อนเข้าปลาอาหารกินเข้ามาเฉยๆเวลาเขาพูดว่าไอีเปรตเล่นหรือว่าผุกนะไอ้บัคหาเลยนมันทกอะ่ะถ้าที่เขาสมบุิ ใ, ในดํำในแดงแต่เวลาเขาเปรียบเทียบทำไมมันทุกข์เพราะเพราะมันไม่รู้แจ้งไง ยิ่งคนหลายๆคนถ้าถูกสมมุติให้ไปเยอะๆเนี่ยเราจะติดสมมุติมากแต่ถ้าเราไม่ฝึกสตินะมันทําลายการที่ติดสมมุติไม่ได้ปัญญาการเห็นแยกมันไม่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่เกิดขึ้นมาเราก็จะยึดติดนะหลวงพ่อท่านเสียชีวิตไปบางคนก็ห่วงนะบางคนก็ติดนะยังคิดถึงแต่มันมีประโยชน์ตรงที่ท่านเป็นปรับเพราอย่างเวลาท่านตายเนี่ยเขานิมนต์พระมาเทศทวนท ว, วนพระมาสวดทวนถ้าโยมเข้าใจสัจธรรมนะ ที่พระมาเทศทุกวันเนี่ยยมจะเกิดปัญญายมจะเห็นแจ้งได้ทีนี้พุทศาสนาเนี่ยเขาสอนให้เราตื่นเบิดบานต้องเบิกบานด้วยการปฏิบัติธรรมนะด้วยกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยทำต้าเง้าวนาเป็นผู้มีความจำเริญจําแนนทำสรรเสริญทำไมเราจรึงจะรู้ตามบอกเลยว่าถ้ารู้ตามเขาเรียกว่าอนุพุท ธ, ธะถ้ารู้แรกคนแรกที่รู้เรียกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะ ทำให้เรารู้ซะตื่นซะเบิกบานซะถ้ารู้ตื่นเบิกบานเราก็จะไม่เบียน่าวตายเกิดแบบนี้ดิถ้าเราไม่ฝึกมันจะตายเกิดแบบเนี้ยตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายทีนี้ก็มีเหตุการณ์นี้เขาเอาพระมาะสดแสดงทําให้ฝังว่าความจริงมันคืออะไรชีวิตเนี้ยที่เราพูดเนี่ยอย่าที่อัตมายกขึ้นว่สสาสัพเพสตาสัตข์ทั้งหลายมั่นใจจะกาลังจะตายสัตว์ทั้งหลายทุกคนเนี่ยกําลังจะตายอยู่ในปัจจุบันเนี้ย กำลังจะตายอยู่ก็มีมารันติจะมะริ้งสุจารตายแล้วก็มีกําลังจะตาย ต, ายตัวมาริสเล่แต่เดียวขอมาริสมิน่าที่มีไม่มีคนไม่ตายได้เกิดมาเนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยเราจะอยู่อย่างไงจริงจะไม่เป็นทุกข์กับการเกิดการตายนรือได้เที่ยงก่อนเกิดก่อนตายมันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ซ้ําไปเนี่นั้นเราก็ต้องทาให้ตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอย่างเช่นพระสงฆ์เจ้าท่านไปทํา กำหนดรู้ลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าหาที่ออกระลึกรู้รูร้เยอะๆรู้ให้ต่อเนื่องและอย่ากให้มันหลับรู้ให้มันตื่นหรือเราเดินจงกรมก็ตามเราเคลื่อนไหวในชีวจรหรือเห็นความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยคนไหนเคยทํากรรมฐานเนี่ยให้ความคิดมันดับทันทีนาานเห็นปุ๊บดับปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บเร็วเข้าๆๆเร็วเข้าเร็วเข้าพอมันรู้เท่าทันกันมันจะสปราร์คขึ้นอดีเขาเรียกว่าการบรรลุธรรมกันเข้าถึงธรรม เวลาเราเข้าถึงทำลึกๆนะตอนยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยเราจะไม่กลัวตายเนี่ยเพราะมันไม่ตายแล้วเพราะมันเข้าสู่สิ่งที่มันไม่มีเกิดไม่มีตายถ้าเราบรรลุทำแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าไม่ถึงทำธรรมะคือธรรมาชาติอันนั้นอนะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่เราเข้าไม่ถึงเราไม่เคยเห็นพอไม่เคยเห็นเนี่ยอยวเรามาฟังเพศ้ย พ, ยพราสวดวิธรรมเน่ยสวดลงไปเทศยดลงไปเนี่ยเหมือนเต่าปีใสงูมหมาเนี่ยใชไหม เป่าปีใสงูควายเป่าปีใสงูเทวดาหรือเป่าสาบอย่างเงี้ยเป่าแล้วก็จะไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะอาตมาเชื่อนายโยมฟังเทศฟังธรรมาเนี่ยฟังนักปีศาพศาสนาหรือยฟังมาถ้าเกิดแหะแม้แต่อาตมาเองก็เป็นคนสวดเองโดยซ้ำไปจะจะมีความรู้สึกมวานา้งเราฟังก็เหมือนเป่าปีใสงหูหมายอย่างภาษาเขาว่านะอีเราก็ฟังนะั้นแล้วเราก็ท่องด้วยแต่ถามว่าจิตมันดีขึ้นมไม่เหมือนไม่ดีไม่มีอะไร เราฟังเองสวดเองเนี่ยยังมีรู้สึกว่าออกปีเต๋อหมูควายคำสอนพระพุทธเจ้าได้ผ่านหูเราผ่านไปเฉยๆอะ่ะมันไม่ตื่นเพราะมันไม่ซึง้งในภาวะนั้นเพราะเราไม่ได้มีการศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าแบบคร บ, บวงจรคือทําภาวนาจริงๆนะพระพุทธเจ้าบอกท่านบอกว่าศา ส, สนาพุทธไม่มีอะไระแค่ความเฝ้าดูจิตจนท้ามันเกิดการเห็นแจ้งตรรี แต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการทำสมาธิเทนั้นเอเราก็มาเฝ้าดูปูไว้เข้าไว้เข้าจนเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาถึงตอนนั้นเนี่ยเราไม่กลัวตายแล้วคำว่าตายหงเนี่ยจะไม่เกิดกับคนปฏิบัติที่บรรลุธรรมไม่มีไงตายหงนี่หงสนี่มาจากว่าห่วงนั่นแหละมันห่วงตายแบบห่วงแบบห่วงสังขาร คือเหมือนคนที่ปรองสังขันได้แล้วเนี่ยคือเวลาตายนี่คือคือเขาทําเป็นแล้วตั้งแต่เขาบรรลุธรรแล้ววันว่าตายเขาวางเป็นละมันตายยังไงเขาดูเป็นน่ยคือสามารถดูเฉยเฉยได้แม้แต่คนยิงเราเนี่ยนะตากโค้กหัวใจเนี่ยมันจะไม่ตายเลยทีเดียมันจะเหลืออยู่สักวินาทีสองสามวินาทีประมาณเนี่แล้วไมันจะค่อยๆดับลง เวลาแค่นั้นนะถ้าคนเคยฝึกมาแล้วมันพอพอที่จะไม่ตายหง่วงแบบนั้นหรือรถค่มอย่างเงี้ยหรือเวลาเราไหลตายเราเคยสังเกตไหมมันจะสน้อยมันถึงดับไปเวลานั้นน่ะคนที่เคยฝึกมาแล้วสามารถเข้าไปอยู่ในภาวะอันนั้นได้เลยภาวะของฌานที่มันเป็นภาวะแล้วเราจะไม่ตายหงคือตายยังไงก็ตามอะแม้แต่หมอเขาบีบคั้นเราอยู่แทบตายป๊มหัวใจอยู่เนี่ยแต่จิตมันจะไม่ไหลไปกับภาวะที่มันเป็นแบบนั้นนะ แต่เราก็ไม่ได้ห่วงว่าลราจะเป็นอะไรโรคมันเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องสังขารเป็นธรรมชาติมันแต่จิตเนี่ยมันต้องเป็นอีกแบบหนึง่ง เ, เรารักษาจิตให้เป็นธรรมตะเป็นแบบหนึ่งนะมมันจะเหมือนกับว่าเหมือนไฟไหบ้านนะดิเนี่ยไฟในบ้านนะเนี่ยไฟไหมบ้านบ้านมันพุพังแล้วเนี่ยตายแต่จิตมันไม่ได้ตายมันเป็นอีกแบบหนึง่ง มันไม่ได้ผูกพันไปด้วยเหมือนร่างกายส้นขาอย่างนี้แต่โยไม่รู้เรื่องโยไม่รู้โยก็แต่ตายแบบตายโหงตายแบบตายห่วงฉะนั้นเวลานี่เยอะมากเกิดมาในอายุเยอะมากแต่เราไม่เคยศึกษาสัจธรรมมาเนี่ยปรมาถะสภาวะแต่เราอยู่กับสมมุติตลอดเวลาแล้วเราติดสมมติเราทิ้สมมุติไม่เป็นที้ oh. ing, งสมมุติไม่เป็นมันก็ไหลไปตามสมมติไปเรื <tr <tr ่อยเื่เรื่อยเรื่อเร่ยมันออกไปได้ นั้นเวลาที่มีชีวิตที่เหลือเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องอภิธรรมให้มันเข้าใจอภิธรรมอภิธรรมคือคําที่มาทําที่มาลึกซึ้งลึกซึ้งก็คือหมายถึงสมาธิหมายถึงฌานหมายถึงภาวนาที่มันลึกๆนะแต่ธรรมที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกใครเกิดที่ไหนอะไรอยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นสมมติเ ป, เ, ปเป็นเรื่องเปล่า เ, เป็นเรื่องข้า ง, งนอก เรื่องให้ทานรักษาศีลภาวนานตื้อนเนี่ยอันนี้หนึง่งแต่ว่าอย่าเห็นสิ่งที่มันค้นพบผลเกิดแก่เจ็บตายอยากบรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อะไรประมาณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประหลาดนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษถ้าคนไหนฝึกคนนั้นก็เข้าถึงเศรษฐสภาวะอันนี้ได้เนี่ยยิ่งหน่อยเขาจะพูดถึงเรื่องจิตของคนเนี่ยจิตเจตสิกผู้ได้มากพูดได้มาพุดเสลา ธรรมาปจิมานันอภัยกตานันธรรมานันอันนั้นตาระปฏิเยนทาราปฏิโยเรื่องนี้พูดเนี่ยพูจะสวนคือเขาอพูดว่าจิตคนเราเนี่ยก่อนก็ดีปุริมาตรนคือเกิดก่อนก็ดีเนะี่ยปจิมานันภายหลังก็ดีอถ้าสติเราตามไม่ทันนะั้นมันจะปรุงแต่งจิตมันปรุงวิญญาณนี่ปรุงที่ถ้ามันกระทบทเฉยเฉยม่ได้ไม่ปรุงแนหะคิดเฉยเฉยนีย่มันปรุงแต่งไปไม่รักไม่ชัง สององินเนี่ยไม่รักเกิดความรักขึ้นมาเปิดชังมันมีสองเงคือมีที่จะสวดมันจะมีโทสัตโมหะโลภะมูลานิมันจะมีโทโทสัตโลภะ osa, เป็นโมลูมลมนมาผสมจิตอันเนี้ยพอกระทบปุ๊บมันจะปรุงไปเลยจิตเนี่ยจะเกิดอารมณ์โกรธโลภหลงรักชังเพลิดเพลินไปเนี่ยอย่างพวกนี้นี่หลายคนเขาจะมาดูหมอนห ล, ลับแล้วจิตมันปรุง มันอรมณ์มมีความอยากดูอยากเห็นอยากเพื่อเพนเราะฉันไหลเป็นในกระแสสันั้นเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในอารมณ์แบบนี้เพราะเราไม่รู้เขาก็จะกล่อมเราเรื่อยๆรื่อยๆืๆเราก็จะเมาอยู่ในในี้ถ้าคิดดีเขาเรียกว่าติดบุญคิดชั่วเขาติดบาปถ้าเป็นกนลางๆเรื่อยๆเฉยๆสมาธิมากขึ้นถ้ากลายเป็นวิปัสสนาเป็นอุบเบกขาก็เป็นการเห็นแจ้งขึ้นมา คืศา ส, สนาพุที่เขาต้องการสอนอน่ะเนี่ยแล้วคนที่มาปวดในสัจธรรมมาเนี่ยที่จิงมาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวตัวนั่นเองไม่เรื่องทําเกิดวิปัสนาเกิดกนันอะไรยังและับเป็นพระธรรมทูตก็คือพระไปสอนคนให้เขาพน้นทุกข์ให้พ้นความยึดมั่นตือมั่นของเขาเองที่ริงการเกิดนี่มันมีการเกิดดี่างนี้เกิดทางขันห้า อันนี้เกิดทางธาตุสี่นี่ดินน้าไฟลมนี่ด้วยธรรมชาติพระก็เหมือนกันโยมเหมือนกันแต่พระนี่จะมีการเกิดสองครั้งคือเกิดขันห้าแล้วเกิดวิปาาัสนาญาณเห็นแจ้งการละขันวางขันหรือภาษาทั่วไปเาใช้คว่าปรุงสังขารขันนี่มันมีรูปขันรูปกายที่วิทนา ความยึดติดกับวิธนาทั้งหลายจิตปวดเมือยทั้งหลายเนี่ยเราผ่านได้ไหมสัญญาความจําสังขารความปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้มันจะรู้เรื่องนั้นแต่เราปล่อยวางไม่เป็นน่ยรู้เรื่องไหนก็นติดเรื่องนั้นออกไม่ได้ทีนี้ทําให้เกิดวิ ป, ปัสสนาถ้าเกตดปัญญาถ้าเห็นแจ้งปุณิสสะเอาเวลาจิตมันมันพุดออกมาจากจิตเนี่ยความคิดมันขึ้นมาแต่ละครั้งในวันวันหนึ่งจริงถ้าสติเรามีความคิดมันไม่มีหรอกวันหนึ่งเ่ยแต่คนรู้โลกไปมันจะคิดเยอะ เยอะเหมือนลูกหลานเราทุกวันเนี่ยมันจึงเหมือนมีการพัฒนาเยอะมากไอ้ที่พัฒนานี่เพราะอะไรเพราะสนองต่อความคิดมันคิดเยอะมันก็เลยมีการพัฒนาเยอะมันไม่รู้เท่าทันมันไม่ดับปรุงแต่ความสังขารให้มันจะอึดอัดมันเจะบุมหิดเนี่ยเวลานอนแต่นอนเยอะกินกักินเยอะจิตมันไปอย่างนั้นเนาะเด้นทุกอย่าง ถ้าเรารู้เท่าทนโอ้มันปลุงแต่งแล้วเนาะมันจะเป็นอุปทานขันนะนี่เป็นสังขารขันไปเราก็ดับมันซะพอมาดับปุบอุปทานมันดับสิ้นอย่างที่โบอกผู้ขาดขันรัศสะอันตะเกรียะปัญญาเยธาติทํายังไงเราจึงจะดับอุปทานในขันได้ถ้าดับอุปทานในขันได้เราก็เป็นคนธรรมดาเนี่แหละแต่จิตมันเป็นพระอริยข้างหน พระเนี่ยคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบปฏิบัติออกจากทุกข์ได้แต่ไม่เกี่ยวกับผ้าเหลืองโกนหัวอะไรไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นสมมุติพระจะมีสองแบบหนึ่งสมมุติสง์สมมุติด้วยยติเจตุตกรรมแต่อันหนึ่งก็คือเป็นพระสงฆ์ที่เกิดพระสงฆ์ที่เกิดสัทธรรมมโัโฉสุปฏิปฏิ พ, พุนาที่ยุตโตที่เกิดด้วยการเห็นแจ้งเนี่ยนั่นแหละเรียก ว, ว่าพระสงฆ์ เป็นพระอริยะที่เกิดโดยพระสัทธมอริยคือผู้ผ้นไปจากกิเลสผู้ห่างไกลจากกิเลสซึ่งเวลาเราไปตามวัดป่าตัวที่เขาปฏิบททัติธรรมเราจะรู้ได้ยินเวลนส่วนตัวเขาเข้าถึงธรรมนะผู้นี้ยเขาบรรลุธรรมนะไมนจะรู้จักนะเขา้เขาถึงธรรมคือเข้าถึงธรรมชาติของชีวิตตัวเองธรรมชาติธรรมที่มันไม่ไม่เป็นทุกข์อะไม่ว่าะจะอยู่แบบนั้นหรืออยู่แบบโลกเนี่ยมันไม่ทุกข์ละเราทุกข์เพราะอะไร กุปรราคภูสักโมหะมันเป็นมนูลเป็นมนูลมูลก็เราก็ไปว่าขี้นแหละแตนะ่ไปว่าขี้พื้นแปลว่ามันฝังอยู่ในจิตลึกๆแล้วมันคอยปรุงจิตเรื่อยๆดังนั้นเวลามาอยู่ที่นี้เหมือนเรามาปฏิบัติธรรมปรงสังขารว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพไปเนาะเอาทุกอ์มอ มู ล, มลที่เกิดขึ้นจากจิตเนี่ยจากโทสะมูหะโลภะเนี่ยให้เรารู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันมันก็จะเป็นอะไรเป็นนิธิโตซะดับมันหมดเป็นนิพพานเป็นอะไรทุกอย่างน่นแหละอุตส่าสน า, าจะเป็นแบบนั้นนะเหมือนเคยได้ยินไหมคําสอน ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาพูดลึกๆเวลาเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้เขาบอกว่ามันไม่มีเกิดมีตายนะไม่มีเกิดมีตายนะแต่ปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธเราเนี่ยจะอยู่แต่เรื่องการทําบุญทําทานอย่างนี้มาเนี่ยมันขําเก้าว่ํามผล เ, เรื่องเรื่องอันนี้เข้าไปไม่ได้แต่ทำไมอย่กพูดจะเปเรียบเทียบเพราะนั่นอันนี้ให้ฟังเยอะแยะนะเพียบแต่ว่าอืมมันไม่ใช่การเรียนและธรรมะสวัสังเท่าไหร่ ไอเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิชาที่มันหมกกับการฟังทำเท่าไหร่เราเรามีกิจกรรมอะไร ท, ที่ที่ต้องทําคือเป็นเรื่องที่ประเพณีเนี่ยเราจะให้สําคัญมันเยอะมากประเพณีเนี่ยแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจสนใจกับเรื่องปรมัตารย์ธรรมพราะผู้ได้เจ้าเนี่ยสมัยท่านเปิดแพร่เนี่ยท่านไม่ค่อยไม่มีประเพณี น, นะ พูดถึงเรื่องสศรษฐธรรมนั้นท่านเสด็จไปที่ไหนนี่ไปสอนคนคนนั้นที่บรรลุธรรมเบาเอ้าตอนเช้าเดชจุรงค์ก็เออคนเนี้ยสนใจเรื่องนี้ท่านก็ไปคุยกับคนที่กับบรรลุธรรมคนนี้ก็เห็นแจ้งได้ดวงตายเห็นธรรมเลยการได้ดวงตายเห็นธรรมก็คือจิตมันตื่นนั่นเองจิตมันตื่นเห็นแจ้งก็มาเห็นธรรมเห็นธรรมแล้เห็นอะไรเห็นความไม่ทุกข์ที่มันอยู่ในใจเห็นจิตที่มันสะอาดสะอาดสว่างสงบแล้วมันสามารถอยู่กับเราได้ใหะ เราไปพัฒนาต่อได้เลยอ่ะอย่างที่บอกว่าวกขาได้เจาประสูดอย่างเนี้ยจิตมันตื่นขึ้นมาอันคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยเขาสอนเรื่องสัจธรรมให้กับคนไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นเนี่ยคือเหมือนศาสนาอื่นเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เขาจะมีเทวดามีผีมีอาชาตินี้ชาติหน้าแต่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นอักเทวดายูไม่มีผีไม่มีเทวดา ไม่มีอะไรแต่เป็นเรื่องจิตล้วนๆถ้าบรรลุทําเข้าถึงธรรมมันก็เป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่แบบนั้นนั่นเองไม่เข้าถึงมันก็เป็นอย่างนั้นอุปาชาวาที่เกเรแต่ธาตุตาหนังเพราะเรื่องจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็าตามนิพพานมันเป็นอยู่แบบนั้นน่ะสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายมันมีอยู่ในจิตของคนทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะปฏิบัติให้เข้าถึงเรื่องนี้น เจ่บอว่าคุณได้เจ้าเลยท่านปฏิบัติท่านมาเห็นนท่านมาเล่าให้คนฟังว่าเนี่ยในจิตคุณมันมีอันนี้นะลองค้นดูดีถ้าคุณไม่อยากเป็นทุกข์อย่างเนี้ยแต่ว่าอย่างว่าคนเราก็จะมีท่านก็จะพูดถึงคนมาใหม่ท่านจะพูดถึื่องชาเรื่องศีล เ, เรื่องอะไรไปแต่ที่เจงก็คืออย่างเนีย่ยเรื่องภาวนาเนี่ยเราจะสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างนางวิสาขาก็ดีอสังกิจจะสมเรียนสุมานณะอะไรเวลาของพวกเนี้ย เขาไปวัดไปวากับพ่อแม่เขาแล้วพระเขาจะแนะนําให้ทําอย่างนี้ที่หนูเอาเอาบิโตมาสมพระพระกระฉันขอเขาปฏิบัติทําไปให้ฝุดให้ดูความคิดนะความคิดเกิดดับอย่้เห็นเขาจึงพอ ท, พทําุ๊บบรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบไงก็คือเข้าถึงสัจธรรมได้เลยพอฝึกสติะระลึกรู้พอเท่าทาําปุ๊บมันสปาร์มันเห็นแจ้ขึ้นมาพวกนี้จึงบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นเด็กไปเลย ไปวัดไปวาก็เป็นคนที่มีดวงตาเห็นธรรมละสวัยพุทธ ก, กาลมันจริงเยอะมากเพราะเราสอนกันจริงๆไงให้รู้จริงๆให้เห็นจริงสัจธรรมเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะมันไปเรื่องอื่นไปหมดแล้วสัจธรรมมันได้มีนะ พระก็พระปลอมโยมก็โยมปลอมธรรมะจะเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปก็คือสัจธรรมที่นํามาพูดมากล่าวเนี่ยเป็นคําที่ตื้นต้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับสัจธรรมที่ลึกๆที่จะให้เห็นสัจธรรมเพื่อให้เกิดการพ้นทุกข์นะแต่เป็นธรรมะที่เป็นสังสารวัตรขึ้นหมุนเวียนอยู่ในการเกิดการตายที่อยู่ในบาปในบุญในนรกในสวรรค์อยู่เนี้ย ศาสนาพุทธมันก็ไม่มีวันได้ผุดได้เกิดศาสนาพุทธเหมือนพอเราไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยเราไม่เรียนรู้จริงเหมือนเราทําลายศาสนาพุทธนะพระสงฆ์ก็ทำลายพุทธศาสนาถ้าไม่สอนจริงๆเนี่ยถ้าสอนแต่ไม่รู้จริงแล้วสอนเนี่ยเป็นการทําลายศาสนาโยมก็เหมือนกันแหะที่เราทําุกวันเนี่ยเหมือนเป็นการทําลายพุทธศาสนาไปในตัว ยิ่งเราเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่รู้หรือเราไม่เข้าใจเนี่ยศา ส, สนาพุทธเป็นเรื่องของการพ้นทุกข์เป็นเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องสัจธรรมแต่ทุก ว, วันนี้เราก็กรบเกินไปเรื่อยทําเล่นทำหัวไปเรยมันมันไอ้ น, นั้นมันไม่ได้เกิดเพราะพูะพุทศา ส, สนาเนี่ยท่านนับเนื่องตั้งแต่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านไปเผยแพระพุทธศาสนาแต่ก่อนหน้านั้นคือเป็นศาสนาพราหมณ์ท่านปฏิบัติทําแบบพราหมณ์ท่านวันท่านยังไม่เข้าใจศาสนาพุทธท่านก็ไม่เผยแผ่ แตพรท่าน้าใจและท่านผลุกให้เรื่องนี้ท่านอยากจะให้โยมทั้งหลายคือเอาหลวงพ่อเนี่ยอสุภะของท่านเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการมาพิจารณาเอาทรัพย์มายมรรตภังยัมบิโคกายอยู่ร่างกายเราก็จะเป็นแบบเ น, นี้ยสังขารเราก็เป็นนี้เราอยู่ได้ขนาดไหนก็ตามร่ารวยขนาดไหนก็ตามสุดทาพก็คือแค่นี้เพราะไมนน่มีอะไรแต่สิ่งที่เราควรจะได้นึ่งอัตรประโยชน์ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเราพ้ทุกข์หรือยังเกิดมาเดย หรือเรายังมีรู้เรื่องพุทธเลยพุทธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานเนี่ยเขาเรื่องศาสนาเอกของโลกคือศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ามากๆนะเวลาเข้าถึงเสร็จจะเป็นเรื่องที่คือเรารักษาศ า, าสนาพุทธเราจะรักษาถูกนับถือพุทธศาสนาคือนับถือถูกนะเมื่อก่อนเรานับถือไม่ถูกว่าศาสนาพุทธมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยเรานับถือพระโดยทั่ไปก็งมงายพระขลังพระศักดิ์สิทธิ์ไปแต่จริงๆต้องเข้าถึงพระในจิตตัวเอง อย่างพุทธาพิเศษเนี่ยก็พพุทธาพิเศกก็คือปลุกเสกตัวเองให้เป็นพระให้เป็นคนไม่ทุกข์ให้ได้ลเลยนี้เป็นสุดเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะศาสนาพุทธก็จะอยู่คู่กับโลกถั้งแต่วันตกเนีลยเขาศึกษารจรยยจิงจรันปฏิบัติจริงจังมากพกรุงเทพเดี๋ยนี้เขาก็มาหาปฏิบัติธรรมมากเลยแต่บ้านเราก็อย่างว่าก็าคือเรแบบับถือพุทธศาสนาแบบรับถือพุทธศาสนา ในลักษณะเป็นประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมแต่เราไม่ได้นับถือในการที่จะศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นปรมัจา์ในแก่นธรรมจริงๆเราอยกได้ธรรมะในมาดับทุกนั้นท่านะนพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนคนเดินเข้าไปในป่าประสงค์จะได้แก่นไม้มาทําบ้านแต่เพินเข้าไปจิบเอาใบมันมาทําบ้านไม่ได้เอาเปลือกมันมาทําไม่ได้เอากระพี้มันมาทําไม่ได้ ต้องเอาแก่นมันต้องรู้ว่าแก่นมันเป็นยังไงนั่นเราต้องรู้จากวัฒนารรมพุทธที่เขาสอนอะไรแล้วเราเอาแก่นของมันมาใช้กับชีวิตแล้วเราจะไม่ทุกข์มันจะไม่ทุกข์มันจะไม่ทุกข์เพราะอุปทานขันการดิ้นวัตถุว่ามันไม่เป็นแบบนั้นมันเหลือแต่ทุกข์แต่ทางกายทางกายก็คือธรรมชาตินะต้เกิดดับไปโดยธรรมดาถ้าอยากให้ได้แก่นธรรมไปใช้ อันก็ต้องฝึกฝนใครอยู่ใกล้อยู่ที่ไหนไปฝึกไปฝึกฝนจิตตัวเองเนี่ยถามว่าไม่ฝึกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างสติธรรมดาดิจะต้องไปสู่สติที่เป็นวิปัสสนาญาณสติตัวรู้ตัวธรรมดาไปสู่การรู้แจ้งเนี่ยเราจะรู้สึกแค่นี้มันไม่พอต้องฝึกฝนเหมือนเราเกิดมาเนี่ยเราต้องเรียนปริญญาต ร, ร, รีปริญญาโทปริญญาเอกถ้าไม่เรียนล่ะก็ไม่ดี เมื่อเสติก็เหมือนกันต้องปูดใค้เป็นมหาสติอย่างตัวรู้รู้รู้อย่างเราหายใจรู้เข้ารู้อกมันรู้แค่นี้มันไม่พอมันต้องไปรู้แจ้งต้องต่อเนื่องให้ได้วันหนึ่งสองวันสามวันต้องไม่สุดผลเพราะอะไรเพราะเราต้องจําเป็นต้องใช้เจิตเนี่ยตลอดชีวิตกายเนี่ยบางทีก็นอนนะเสร็จพวกก็อามานอนแต่จิตมันมีความคิดมันปรุงแต่ขณะนอนเนี่ยมันยังฝันเลย มันยังสร้างทุกข์ให้กับเราเลยถ้าเรามีสติดูแลมันจริงๆเวลามันฝันเนี่ยมันจะดับได้เขาต้องบอกไงผู้บรรลุทําแล้วเขาไม่ฝันไม่แลาฝันมันก็ดับได้ในความฝันเนี่ยมันไม่ตรงุงแต่บางทีบางคนเห็นไหมนี่หลับหลายคนเลยขกนาดนั่งฝันแกฝันนล้วเคลียมันเมื่อยจิดเนี่ยเพราะเราไม่เคยฝึกฝนมันน่ะอื ต้องฝึกนะเราคิดถึงนักมวยนักกวีเขาจะเป็นแชมป์ได้เนี่ยเขาฝึกแล้วเขาเข้มแข็งมากคนเรามีกระปั้นเหมือนกันทุกคนเนี่ยแต่จะได้เป็นแชมป์นี่ไม่กี่คนเลเนี่ยเหมือนกันคนเราเกิดมามีจิตเหมือนกันทุกคนแต่จิตที่จะเข้มแข็งผ่านสภาวะที่มันเป็นทุกข์ได้เนี่ยเฉพาะคนที่ฝึกนั้นพุทธศาสนานี่เขามีให้พร้อมละ มีท่องพิสดีอาทิกรยานังในเบื้องต้นก็พร้อมมัชเชกรยานังสมาธิก็มีปริโยสานะกริยานังที่สุดคือปัญญายางก็สามารถให้เราเข้าถึงได้ตื้นท้ากลางลึกมีหมดเลยเขาบอกคนเรานี่มีอารมณ์สามอย่างพระพุทธเจ้าเปรียบนะอารมณ์ประเภทหนึ่งเหมือน เอาไม้ขีดได้หินเนะ่ยเอาเหล็กเอาเหล็กขีดหินขีดเจ้ามันจะเป็นรอยแล้วลบยากมากคนไม่ได้ฝึกจิตจะเป็นไงนะมันติดอารมณ์นเลยจะไม่ออกแต่คนอีกระเภทหนึ่งเหมือนขีดลงไปในทรายเนี่ยขีดซึ้ไปเนี่ยนานทีมันก็ลบแล้วในทรายเลยคือทําไปนานๆแต่ว่าลืมได้บ้างอนะแต่จิตของผู้บรรลุธรรมเนี่ยมันเหมือนขีดลงไปในน้ําอ่ะขีดซึ้งไปเนี่ยวิลติดอารมณ์เ่ย ขีดเสร็จปุ๊บมันก็หกข้อทันทีเลยมันก็หายไปเลยแบบเนี้ยทํายังไงจิตเราเกิดมาเราจะยังไม่ทุกข์เหมือนขีดลงไปในน้ําเนี่ยคนไม่ทุกข์นั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าคนนั่นแหละคือคนนักถือพุทธศาสนาก็อยากให้ท่านได้ประโยชน์จากการมาวัดจากการมาเผาศพเผาศพไปเผากิเลสตัวเองให้ได้เขาถึงใช้เขาว่าไง ดนเผาศพเนี่ยเขาใช้คำว่าชาปนกิจเคยได้ยินไหมมาชาปนกิจศพชาปนกเนี่ยมาจากคาว่าชานใช้ชานคือเผาด้วยชานจริงๆไม่ได้เผาศพวันนี้นะศพนี่มาจากอาสวะมาจากสวะแปลว่าเศษสวะแปลว่าสวะแปลว่าขยะนะแต่เขาพูดถึงเรื่องกิเลส อย่างที่รู้ว่าขอให้เขาไปเจ้าสิ้นอาสวะไ ด, ด, ด, ด้เถิดศพเนี่ยมาจากคำคำนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องร่างกายนี้เลยคือจะดับอาสวะดับสวะอันนั้นน่ะใช้ฌานเผาฌานแปลว่าเ พ, าพ่เพงเผาอย่างความคิดความปรงแต่งความทุกขที่เกิดในจิตเราเนี่ยเวลาเรากําหนดรู้มันจะดับไปเลยเกิดแล้วมันดับอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีฌานมีฌานฌานเพ่งเผาเนี่เขาเรียกว่าชาปนกิจศพฌานคือมาเผาเผาะอะไรไม่ใช่เผาหลวงพ่อนะ เผาอิเลตในใจเราเลยถ้าคนไหนเผาเป็นมันก็ดับได้มันก็หายไปไม่ไม่มีโอ้เรามีฌานอยู่ในตัวเองนะมันมีฌานฌานไปว่าเพ่งไปว่าเผาถ้าทั้งหลายมีฌานไมหมละ่ะถ้าไม่มีก็ไปฝึกมันมีแต่ดันแต่สร้างกันเลยเนะาะฌานอันนี้นมันไม่มีฝึกเอาเนาะนะแล้วเราจะไม่ไหลไปตามกระแสไม่ไหลไปตามกระแสกระแสอะไร กระแสเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะเป็นผู้อยู่เหนืออยู่เหนือความรู้สึกว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่เป็นสภาพของการไหลของธรรมชาติการเปลี่ยนรูปตัว น, นั้นเองเน่ยจากรูป ข, ขันไปสู่รูปธาตุจากรูปธาตุไปสู่รูปนิพพานมันเปลี่ยนเฉยคนกลัวเขาเรียกว่าคนเนี่ยจะเจอมัจจุมานมัจจุมันคือความก ล, ว ก, ลว ก, ลวกลัวกลัวการเปลี่ยนผ่านของธาตุขันนั่นนี่เฉยแต่พอรู้แจ้งนี่พบเนี่ยว่ามันินดีที่จะไปเลยดีที่จะผ่านไป สบายสบายเอาอนุโมทนาญาโยมทุกคนแล้วอุตส่าห์ตั้งองตั้งใจฟังรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสก็ไปฝึกอาตมาจินดีจะเป็นวิเนียงช่วยเหลือญาโยมใครจะไปฝึกที่วัดป่าสมณัสเนี่ยใครจะไปก็ไปจะเป็นวัดเดียวเมื่อในประเทศไทยทีต้องสอบเข้า ถ้าสอบติดก็คือได้เข้าเรียนถ้าสอบไม่ติดก็เข้าไม่ได้เพราะนคนมันเยอะไงนี่เขาไม่ไปสอบเข้าสอบฝึกผลเนี่ยแต่หัตังใจนะ่าโยมนะก็อนุโมทนานะสาธุกับลลกุศลและจิตของท่านทั้งหลายที่อุตสาวนขวายมาฟังธรรมมาบำเป็นกุศลให้ทางรักษาศีนนะอาจจะเจริญภาวนา ได้ยินในฝั่งบางเลเลๆนน้อยเนี่ย mm. ก็ขอให้เป็นตับะ mm. เป็นกุตสเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอให้เกิดกุศสวรลจิตในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเอง mm. เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไนั่นดีแล้วทุกประการทุกท่านทุกคนคือแสดงพระสัตธรรมมัทศตยมาอีมังก็มีทุกประการกกและจ ะ, ะี